อยู่ทางมุมหลังของวัดป่าเชิตะวันพราห้าร้อยเวลากลางคืนก็ตรึกนึกคิดไปในกามักกิเลตเพราะพรองค์รู้ท่านตรวจดูตัวอุปหะเหล่านี้ตรึกไปในทางามัม ก, กิเลตหมกมุ่นไปในคิดไปในทางามัม ก, กิเลตท่านบอกให้พระอานอนท์ไปเรียก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 แต่บัดนี้ต้นมะม่วงต้นนี้ชู้ต้นอื่นไม่ได้ต้นอื่นเขาสวยงามกว่าต้นนี้ปูยี่ปูยำกิ่งหักไปหมดฝนมะม่วงก็ไม่มีพระองค์ก็ยืนดูโปคงธรรมสังเวชจากนั้นท่านก็พิจารณาถึงอนิจจังของไม่เทียงทุกขังเป็นทุกอนาตาัตตาไตรลักษ์ปรน า, าเห็นไตรรักษ์ตัไหนพระเจ้าแฟ่นดิน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 ลบปลาข้าวฟันกันกลบข้าสึกกันแย่งประเทศชาติกันปมหากษศัตริย์แย่งมหากษัตริย์แย่งประเทศกันเพราะอะไรเพราะราบเพราะราบเพราะยศเพราะสนัเสรเพราะสุขต้นมะม่วงย่อยยับเพราะอะไรเพราะมีผลถ้าว่าเราออกสา ร, ราราชสมบัติสิเราไม่มีไม่มีอะไร เราจะมีความสุขไหมเพราะไม่มีอะไรถ้าเรายังมีถ้าสมบัติอยู่ทั้งมีบริษัทบริวารอยู่ใครๆก็อยากจะแฉแย่งชิงราถ้าสบัตหลังที่เราเป็นทุกอยู่ทุกวันนี้เตรียมถุงหงเตรียมทหารเตรียมอุ ป, ปกรณ์ต่สู้รบตกสึกอยู่นี้เพราะเรามี เรามีราบยกชนเสร็จสุกแต่เราสละไปจคะอยู่ตามลาพังเพราะสิ่งอหลนี้มันไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์อยู่แล้วเราเอาไปด้วยไปได้สักอย่างทําให้เราจึงมาสนใจอยู่อย่างนี้เห็นไหมต้นมะม่วงตน้นนี้ที่ย่อหยับไปเพราะอะไรเพราะผลของมันเราก็อีกสักวันหนึ่งเราก็ต้องย่อยยับเพราะ คนทั้งหลายอ้พระเจ้าเป็นดินลูกหัวเมืองต่างๆเอถ้าไม่พอใจก็คงจะมารุ่มเหมือนกระตุนมาฮ่วงตัวนี้พระองค์ก็ยืนดูขณะนั้น่ะได้สําเร็จตัดรู้เป็นพระปฏิเจตพุทธเจ้าะท่านเห็นอันิี้จังพระปฏิเจตเห็นอันิีจังทุกขังอนนั้นตาท่านได้ตัดรู้เป็นพระปฏิเจตพุทธเจ้ายืนอยู่ที่นั่น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 ต้องป่งผมพระเจ้าค่ะต้องมีผ้ากาสาวะผ้าย้อมฝาดมีอัฐบริขารอันนี้คือปศพพระปฏิเจแล้วปไปอยู่ถ้ำบนเขาคันธมาศป่าหิมะพานเป็นกลุ่มพระปฏิเจอันนี้พระองค์จึงเป็นพระเจ้าเป็นดินอยู่พระเจ้าค่ะพอพระเจ้าเป็นดินได้ยินเท่านั้น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 ทอแท้อ่อนแอการเป็นอยู่ของนักพจนักปวดก็ต้องเป็นอย่างนี้ละ่ะเพราะนั้นเราเข้ามาบวชเพื่อการศึกษาเพื่ อ, เ, อเป็นนักพจนักปวดก็ต้องต้องตัองอต้งใจไม่แพ้กันผมกดอย่างมุกมพวงพกเปื่อนมุพกพ่วงเหมือเหมือนกับผมแต่พอสำคัญเรื่องจิตจะภาวนาจะให้ขาดตกบกพ่อง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 มันไม่ใช่เรื่องของพระของสมณะของนักบุตรให้อยู่ตามลำพังต่างองค์ต่างอยู่ต่างองค์ต่างประพฤติธปฏธิบัติธรรมนั่นละ่ะความร่มเย็นผาสุขก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายการพูดกันแนะแนวในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้เอาตอนนี้ไปนั่งสมาธิ